เดินปัญญาที่ก็นึกว่าแม้รู้สึกตัวแล้วมันจะเดินเองไอ้ น, นี่ย่อหย่อนไปพวกหนึ่งคิดพิจารณาค้นคว้าลงไตรลัก์ตลอดเวลานะี่ิเอาคิดเอาคิเอานะพยายามจะขินให้ได้เลยให้เกิดปัญญาไอ้ น, นี่ก็ตึงเกินไปนี่เราต้องเป็นทางสายกลางในทุกๆจุดของการปฏิบัติเนะกระทั่งถือศีล น, นะตึงไปก็ไม่ได้นะหย่อนไปก็ไม่ได้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 นะพอแก่มากๆเนี่ยบน่บนหมดเลยนะไม่มีคนให้บ่นแล้วฝนไม่ตกก็บน่นฝนตกก็บน่นร้อนก็บน่นหนาวก็บน่นบ่นมันหมดเลยนะเพราะนี่ใส่ขี้บน่นะบางคนขี้โมโหนะทีแรกก็หงดุดหงิดนะหงุดหงิดนิดๆหน่อยๆก็ปล่อยใจให้มันหงุดหงิดตลอดเวลานะตามใจกิเลสปล่อยให้มันห ง, งนนุดหงิดได้นอนก็หงุดหงิดได้นี่ก็ห ง, ง іт, นะุดหงิดต่อไปมันก็สะสมในิสัยนะขี้โมโหไปหมดเลยมันสะสมทีละเล็กทีละน้อย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 อย่างคนไม่เคยสวยดมนต์นะไปสวดก็ตั้งใจสวดสวดทุกวันนะสวดไปเรื่อยๆพลังจิตจะเพิ่มขึ้นนะเวลาทําอะไรเนี่ยจะเข้มแข็งห้าวหาันกระทั้งจะภาวนาก็เข้มแข็งจะทำงานทางโลกก็เข้มแข็งจะตัดสินปัญหาชีวิตนะก็เข้มแข็งนะ <_ d ata> ไม่ใช่ปอแปรปอแป ร, ร้องขอตลอด <_ d ata> มันต้องสู้เอานะต้องสู้เอาแล้วก็เวลาที่เหลือนะ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 มาเรียนรู้ จ, ตจิตตามความเป็นจริงแล้วจิตเป็น <ๆ plusieurs S 3> ยังไงคอยรู้มันไปไม่ใช่ไปดัดแปลงจิตไม่ใช่การดัดแปลงจิตนะถ้าดัดแปลงจิตเนี่ยตึงเกินไปถ้าปล่อยไปเลยไม่สนใจจิตเลยนี่หย่อนไปให้รู้จิตอย่าที่จิต <verde> มันเป็นจิตมีความสุขก็ให้รู้จิตมีความทุกข์ก็ให้รู้เหมือนที่พุทธเจ้าสอนเลยนะดูคราภิกสูทั้งหลายนะเมื่อมีความสุขก็ให้รู้ว่ามีความสุขมีความทุกข์ให้รู้ว่ามีความทุกข์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 ยืนอยู่ก็รู้นะยืนอยู่ก็รู้ชัดนะว่ารูปมันยืนอยู่ LinkedIn <ๆ S 1> เดินอยู่ก็รู้ชัดว่ารูปมั น, น, นเดินอยู่รู้ลงไปรู้ให้เห็นไตรลักษณ์ดูไปเรื่อยนี่แหละคือการเรีย น, น, ะนะการเรียนรู้ความจริงของกายของใจดูกายอย่างที่กายมันเป็นดูใจอย่างที่ใจมันเป็ น, นสุดท้ายไม่เห็นความเป็นไตรลักษณ์ของกายของใจตัวนี้เรียกว่าปัญญาพระพุทธเจ้าสอนนบุคคลถึงความบริสุทธิ์ได้ด้วยปัญญา